ทางเรียบนะคคยๆก็ชอบนะแต่ถ้ามันเรียบมากไปมันก็ลื่นพอลื่นแล้วก็อาจจะหกล้มหัวรังข้างแตกอย่างทางสุกโตนี่เทปูนแล้วก็จริงแต่มันก็มันก็ไม่ค่อยเรียบนะเดินก็ จะว่าไปก็สบายแต่พอหน้าฝนเนี่ยให้ความขู่ข่ามันก็ลดน้อยลงนะเพราะว่าจากใครน้ำ น, นี่มันเกาะจนเป็นเรียบเลยนะพอเรียบแล้วนี่เดินบนถนนนี่ก็ต้องระมัดระวังหกล้มลื่นถลไหลนะหรือจะหัวฟาดพื้นก็ได้ ทางครุขรานี้คนไม่ค่อยชอบแต่ว่ามันก็มีประโยชน์นะอย่างทางจากสุกโตไปธรมะไฟหรือจากธรมะไฟลงไปข้างล่างเนี่ยแต่ก่อนมันก็เป็นทางลูกลังการเดินทางก็ลำบากเดี๋ยวเพราะหน้าฝนมีหลุมมีบ่อแต่ว่าอุบัติเหตุมีน้อยนะ แต่พอเทปูนลาดยางเข้าเนี่ยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยโดยเพาะช่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะคนขับเนี่ยขับเร็วขับเร็วเพราะทางมันดีทางยิ่งดีเท่าไหร่เรียบเท่าไหร่ก็ อันตรายก็มากเท่านั้ น, น, นสิ่งที่มันสะดวกสบายนะก็เหมือนกันนะใครๆก็ชอบแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นภัยเป็นอันตรายได้เช่นชีคนสมัยนี้เนี่ยนะอาหารการกินก็สะดวกสบายกว่าแต่ก่อนนะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะอาหารประเภทพวกเนื้อพวกไขมันพวกที่มีน้ำตาลเยอะเลือกอาหารดีๆนะ และแถมชีวิตก็สะดวกสบายมากขึ้นนะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุนเวลาทุนแรงเช่นรถยนตนะ์มันก็ทำให้ในด้านหนึ่งคนก็สะดวก ส, วกสบายมากขึ้นแต่ว่าอโรคภัยไข้เจ็บชนิดใหม่ๆมันก็มาโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไตาวายนะมาเร็งด้วย ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็เป็นโรคที่เกิดจากชีวิตที่สะดวกสบายนะซึ่งคนก็ไม่ค่อยได้ตระหนักแล้วก็มันเป็นโรคซึ่งรักษายากนะทุกวันนี้เทคโนโลยีราคาร้อยล้านก็ยังเอาหรือจัดการกับโรคพวกนี้ไม่ได้อย่างถึงรักถึงค น, นคือพูดง่ายคือรักษาไม่หายก็แค่เยียวยาประทังไป ไม่เหมือนโรคที่เกิดจากความนะยากลําบากนะอย่างเช่นพวกโรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้อไอพวกนี้รักษาได้ง่ายกว่าแม้กระทั่งโรคที่เกิดจากการที่อาหารไม่พอเพียงหรือขาดสารอาหารนี่ก็ยังช่วยด้วยเทคโนโลยีได้ง่ายกว่านอกจากความสะดวกสบายแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งยั่วยุสิ่งยั่วยวนนะให้คนเราเนี่ย หลงไหลได้ง่ายสมัยนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนะพูดถึงเรื่องการทำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อชีวิตนะคนก็รู้นะเช่นการภาวนาการออกกำลังกายการศึกษาหาความรู้ให้พวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับชีวิงคนเราไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ว่า หลายคนก็ทำไม่ได้บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาออกกำลังกายไม่มีเวลาทำสมาธิไม่มีเวลาที่จะศึกษาหาความรู้หรือแม้กระทั่งการให้เวลากับคนที่สำคัญในชีวิตเช่นลูกคนรักหรือพ่อแม่ถามว่าทำไมนะเพราะว่ามันมีสิ่งยุ่ยยวนเยอะนะสิ่งที่ดึงดูดความสนใจดึงดูดเวลาไป เดี๋ยวนี้มีเยอะมากทุกอย่างรอบตัวนี่มันล้วนแล้วแต่พยายามดึงเวลาดึงความสนใจจากเราไปเช่นโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์นะข้อมูลข่าวสารหรือว่าโฆษณาไปกรุงเทพเนี่ยนะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าตามถนนเนี่ย นีมันจะมีป้ายโฆษณาเยอะมากจงนถ้ามีคนหนึ่งเขาตั้งสมัยานานกรุงเทพฯเมืองเมืองบ้าป้ายนะป้ายมันเยอะมากป้ายโฆษณาเต้มไมหมดไอ้ป้ายโฆษณานี่นก็เป็นส่วนที่ดึงความสนใจของเราเดี๋ยวนี้โฆษณามันไม่ได้มีอยู่ตามป้ายอย่างเดียวนะในรถแท็กซี่ในรถในบริการสาธารณะรถไฟฟ้านะมันก็มีป้ายเพื่อดึงความสนใจ แต่นั้นก็ไม่ไม่ร้ายเท่ากับไอสิ่งที่เราถืออยู่ในมือคือโทรศัพท์มือถือมันมีโซเชียลมีเดียมีแอปต่างๆมากมายนะที่ดึงเวลาเราแล้วก็ดึงไปเยอะนะเป็นชั่วโมงช่วโมงหรือว่าคนในเมืองเนี่ยหมดเวลาไปกับไอพวกเนี่ยสี่ห้าชั่วโมงต่อวัน ถ้าเป็นเด็กๆนี่อาจจะมากกว่านั้นนะอาจจะหกเจ็ดชั่วโมงด้วยซ้ำไม่รู้เอาเวลาที่ไหนมาดูนะทั้งที่ตัวเองก็ต้องเรียนหนังสือและเดือนนี้มันมีมันมีหนังให้ดู2ีสี่ชั่วโมงเลยถ้าสมัครเดือนละสามสี่ร้อยบาทเนี่ยมีดูมีหนังดูตลอดจนกระทั่งคนไม่อยากจะนอนละขอดูให้เต็มอิ่มสักหน่อยผลก็คืออะไรก็คือไม่มีเวลาไม่มีเวลาแม้แต่อยาพักผ่อน ไม่มีเวลาทำสมาธิไม่มีเวลาออกกำลังกายยัไม่ต้องพูดถึงกิเลสนะกิเลส ท, นะ ท, ที่มันจะตามมามากมายคือได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะเพราะมันมีสิ่งยั่วยให้เกิดความอยากสมัยนี้นี่มันเป็นยุคที่กิเลสหรือมานเนี่ยนะมีกำลังมากนะสามารถที่จะหรือมีช่องทางมากนะที่จะหลอกจะลอ่อ เวลาคนเนี่ยจะจะล่าสัตว์นะหรือจับสัตว์เนี่ย <c oughs> วิธีหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือหาเหยื่อหาเหยื่อมาล่อเหยื่อนี่ก็คือสิ่งที่าสัตว์นั้นชอบนะถ้าถ้าเป็นปลาก็หนอนมแมลงนะถ้าเป็นพวกเสือก็อาจจะเป็นไก่บ้างนะหรือว่า ตัตัวเล็กๆบ้างมันล่อหรือมีเะนั้นก็มาทำทางให้มันสะอาดหรือทำทางให้สะดวกเวลาเราไปในป่าเนี่ยบางทีจเจอนะเจอเจอต้นไม้บางต้นนะรอบโคนนี่มันสะอาดเลยนะใบไม้นี่ไม่มีเลยเป็นพระพราร์นเนี่ยเขาเก็บใบไม้ออกให้หมดทำทางให้มันเรียบ ตรงกลางทางเนี่ยหรือตรงปลายทางเนี่ยก็จะมีพวกกับดักนะพวกแล้วนะพระนี่เขารู้นิสัยของสัตว์นะว่ามันชอบอะไรมันชอบกินอะไรหรือชอบทางแบบไหนนะสัตว์มันชอบทางเรียบนะไอทางที่มีใบไม้เยอะๆนี่มันไม่เดินมันจะเดินทางเรียบพรานก็เลยทาทางแบบนั้นขึ้นมาแล้วก็ล่อให้มันไปติด ก, กับนะก็คือแล้วนะ อันนี้ก็เป็นวิธีที่พรานใช้อยู่ บ, บ่อยๆอยีกวิธีนึงที่พรานใช่นะก็คือเอาสิ่งที่สันนั้นไม่ชอบเนี่ยแต่เรียกว่ามาล่อ ก, ก็ได้เช่นเราใช้นกต่อเนี่ยนกเนี่ยนะอธรรมดามันก็มีถิ่นของมันถ้ามีนกแปลกหน้าโผ่มามันก็จะไปไล่อันนี้รวมถึงไก่ด้วยนะไก่นี่มันก็มีมีถิ่นของมัน นะมีไก่แปลกหน้าเข้ามามันก็จะไปไล่นั่นแหละคือวิธีที่พรานใช้นะเอาสัตว์ที่เจ้าถิดไม่ชอบเนี่ยมามันมาก็มันก็จะไปไล่นะไม่ว่ามันอยู่ตรงไหนพอมันรู้มันก็จะมาและพรานก็เอากรงมั่งเอาแล้วมั่งมาดักไว้ตรงนั้นแหละพอมันจะมาไล่ไนกต่อไก่ต่อ มันก็ติดแล้วหรือติดกับดักทันทีนะสัตว์ใหญ่ก็เหมือนกันนะก็คือเอาวิธีเอาสิ่งที่สัตว์นั้นไม่ชอบเนี่ยมาล่อให้มันเข้ามาติดกับดักอันนี้เป็นวิธีที่พรานใช้เอาทั้งสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบมาล่อมานี่ก็เหมือนกันนะมา น, นี่นะมานี่มันก็มีหลายอย่างนะทั้งกิเล ส, สมาล์เทวปุตตมาล แต่พูดรวมๆกคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในพุทธประพุทธประวัติก็จะมีมารมาล่อลวงผู้เจ้าบ้างหรือว่าพาระพเถระพระเถรีบ้างให้เขวให้คลายความเพียรวิธีการก็มีทั้งเอาสิ่งที่น่ารักน่าใคร่มายั่วยวนหรือเอาสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยเพื่อลอ่อเพื่อไล่ แต่บางทีก็ไม่ใช่แค่ไล่นะบางทีก็มามายั่วยุให้โกรธนะเวลาเราภาวนาเนี่ยนะอันนี้คือปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่จะเกิดกับพวกเราการที่เราจะเจริญสติทำความรสุกตัวเนี่ยอุปสรรคอันนึงคือว่าใจมันชอบเผลอแวบไปไปหาสิ่งที่ชอบ อาจจะเป็นอดีต ท, ที่หอมหวานอาจจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงที่ปรารถน า, อาลองสังเกต ด, ดูนะมันมีความคิดใดเกิดขึ้นเราก็ไปเลยนะไปเพราะเราชอบอชอบปรุงชอบคิดต่อไปเรื่อยนะมันทำให้เราเผลอง่ายาเผลอคิดในสิ่งที่ชอบตอนหลังพอมาภาวนามาทำกรรมฐาน ก็รู้ว่าการที่จะปล่อยใจให้มันเผลอหรือลอยไปตามความคิดเนี่ยไม่ดีแต่ก่อนนี่ปล่อยใจคิดเป็นวักเป็นเวรเจ็ดแปดเรื่องเพลินบางทีเป็นชั่วโมงนะอันนี้เรียกว่าเพลินเพลินกับความคิดรว่วมันไม่ดีนะก็เริ่มที่จะเปลี่ยนใจเปลี่ยนมุมมองแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนในทางตรงข้าวก็คือจากชอบกลายเป็นไม่ชอบ แต่ก่อนฟุ้งเนี่ยเพลินไปความฟุง้งแต่ตอนนี้เนี่ยจะพยายามต่อสู้ต่อต้านไอ้ความฟุง้งพยายามผลักสัยมันนะพอมันโผล่ขึ้นมาก็ไปเข้าไปจัดการกับมันไม่ว่าความคิดชนิดใดก็ตามนะถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติพอมันโผล่มาปุ๊บก็วิ่งเข้าไปปราบเข้าไป กฎข่มมันตะปบมันไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตามนะนักปฏิบัติหลายคนจะเป็นอย่างนั้นจากการที่เคยเพลินไปกับความคิดฟุ้งซ่านกลายไปเป็นปฏิปักษ์นะรู้สึกลบกับมันผลก็คืออะไรผลก็คือเกิดความเครียดนะเกิดความเครียดนะหลายคนก็จะมาพูดว่าทำไมมันภาวนาแล้วมันเครียดเหลือเกินแต่ก่อนไม่ปฏิบัติมันไม่เครียดเลย หรือบางคนก็บอกทําไมมันฟุ้งมากเหลือเกินก็จริงๆแล้วความฟุงมนะมฟ้งไม่ใช่ปัญหานนะความฟุ้งไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือใจที่ไม่ชอบความฟุ้งต่างหากแตก่ก่อนเนี่ยมันก็ฟุง้งก่อนมาภาวนาก่อนมาสนใจการปฏิบัติก็ฟุง้งก็เห็นทุกอะไรเลยอะฟุ้งเป็นวันๆก็เป็นทุกข์เลยนะแต่พอเริ่มมาปภาวนานี่เป็นทุกข์กับมันแล้วจริงๆความฟุ้งไม่ใช่ปัญหานนะ ความรู้สึกลบนะต่อความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยคือปัญหาอันนี้คนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่สิ่งที่จะต้องทำเนี่ยหรือสิ่งที่ควรทำเนี่ยไม่ใช่ไปทำให้ความฟุ้งซ่านมันลดลงแต่ว่าทำให้ความรู้สึกลบเนี่ยมันเป็นมันเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกกลางๆงความรู้สึกลบความรู้สึ K กเกลียดไม่ชอบสิ่งใดก็ตามเนี่ยอันนี้คือปัญหามากกว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ย ก่อปัญหาน้อยกว่าความไม่ชอบสิ่งนั้นนะลองพิจารณาดูดีสิ่งที่เรากลัวเนี่ยไม่แย่เท่ากับความกลัวสิ่งนั้นนะสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยไม่ได้ทำร้ายเรามากเท่ากับความเกลียดสิ่งนั้นมันต่างกันนะอย่างที่เคยยกตัวอย่างเนี่ยนะลิงเนี่ยนะที่มันโดนกระปิ ติดมือเนี่ยนะลิงเนี่ยมันเกลกกระปิมากนะพอถ้าเกิดมือมันเปียกเกลิกกระปิเมื่อไหร่นี่มันก็จะมือเนี่ยถูเอานิ้วเนี่ยถูกับพื้นบ้างกับหินบั่งกับเปลือกไม้บ้างกับต้นไม้บ้างมันถูจกนกระทั่งเลือดไหลบางทีมันยังไม่ยอมเลิกนะจนทั้งแผลเวอ่อวะ่ะถามว่าอะไรทําให้ลิงเนี่ยมีแผลทําให้ลิงเนี่ยเลือดไหลไม่ใช่กระปินะ แต่เป็นความเกียกับปิกัปีไม่ทำให้ลิงเลือดไหลแต่ความเกลียกับปีเนี่ยมันสั่งให้ลิงเนี่ยทําในสิ่งที่เป็นอันตรายกับมันก็คือทูทูทูจะเลือดไหลกัปีนะสำหรับลิงนะกับปิเนี่ยไม่ไม่เลวร้ายเท่าความเกลียกับปีคนเราก็เหมือนกันนะหลายคนเนี่ยลาคาญเวลามีเสียงดังนะไม่ชอบเสียงดังแต่ที่จริงเสียงเนี่ยนะ มันไม่แย่เท่ากับความเกียดเสียงนั้นพอเกียดเสียงนั้นขึ้นมานะโอ้ยมันเป็นทุกข์เลยงุนห ง, งิดเลยแม้จะเป็นเสียงที่ไพเราะ ก, ก็ตามเช่นเสียงลิงโทนเสียงไม่ใช่ปัญหาเท่ากับความเกียดเสียงบางคนกลัวเข็มนะกลัวเข็มจิตยาแต่ก็พบว่าคนที่กลัวเข็มจิตยาเนี่ยเวลาโดนเข็มทิพเนี่ย จะรู้สึกเจ็บกว่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยเป็นสามเท่าแปลว่าความกลัวเนี่ยนะมันทําให้เจ็บเพิ่มขึ้นคนที่ไม่กลัวเนี่ยเจ็บแค่หนึ่งส่วนคนที่กลัวเนี่ยเจ็บสามส่วนถ้าเข็มไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวเข็มนะก็หลายคนเนี่ยมาไม่กล้ามาที่นี่นะเพราะได้กิตติศัพท์ว่ามีตุกแกนะกลัวตุกแกถามว่าระหว่าง ทุกแกกับความกลัวทุกแกเนี่ยอะไรเนี่ยที่เป็นปัญหากับเรามากกว่ากันะทุกแกนี่มันไม่ได้น่ากลัวเลยไม่มีอันตรายเลยแต่ความกลัวทุกแกทําให้ผวานอนไม่หลับนะแต่ถ้าให้กลัวนะแม้แต่มะเเลงเนี่ยก็ทําให้เราอยู่เป็นสุขได้คนที่กลัวมันเลงเนี่ยนะโอ้ยนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีชีวชีวาเลยแต่พอหายกลัวมัเเลงนะก็ <ifik voir S 1> อยู่กับมันเลงได้อย่างมีความสุขเป็นอย่างมีปกติสุขกันนะ แม้กายไม่สุขแต่ว่าใจปกติแต่ถ้ากลัวซะกลัวสิอย่างนะไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามเนี่ยเช่นบางคนเนี่ยนะอ่ากลัวหรือเกลียดไม่ชอบนะกลัวแก่นะกลัวไม่สวยพอเป็นสิวเนี่ยนะก็เลยเป็นทุกข์มาก หรือบางทีแค่ผิวแห้งผมแตกปลายนี่ก็ทุกข์มากนะนอนไม่หลับเพราะไม่ชอบเพราะกลัวเพราะเกลียดความไม่สวยความความเสื่อมของสังขารตรงข้ามคนที่ไม่กลัวมะเร็งนะเขานอนสบายหลับสบายแต่อีกคนหนึ่งนะเกลียดสิวกลัวสิวกินไม่ได้นอนไม่หลับนะ สิวกับมะเร็งนี่มันต่างกันเยอะนะแต่ทำไมคนหนึ่งคนนึงเป็นมะเร็งเนี่ยเขาปกติแต่คนหนึ่งมีสิวนะกับท่อแท้หมดอะไรแตกยากกับชีวิตมีนะบางคนนี่ถือว่าเป็นวิกฤตของชีวิตเลยสิ่งที่แตกต่าง ก, กันก็คือคนหนึ่งไม่กลัวอีกคนหนึ่งกลัว จึงบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราเกลียดเนี่ยมันไม่แย่เท่ากับความเกลียดความกลัวสิ่งนั้นแม้มันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ถ้ากลัวสักอย่างเกลียดสักอย่างนะ่ะโอ้มันทําให้ชีวิตนี้มันแย่ไปเลยแต่แม้เราจะเจออะไรที่หนักหนักแต่ไม่กลัวไม่ต่อต้านมันนะวางใจเป็นกลางกับมันหรือวางใจเป็นบวกกับมันกลับอยู่ได้ปกติสุขนะมีพี่ยู่คนนึงเป็นมะเร็งนะ ปรากฏว่าจากเดิมเนี่ยที่เคยเป็นประเภทซึมเศร้าจนกระทั่งคิดฆ่าตัวตายเนี่ยพอเป็นมะเร็งปุ๊บในความซึมเศร้าโรคซึมเศร้าหายไปเลยเธอบอกว่ามะเร็งเนี่ยมันดีนะมันทำให้เธอเนี่ยนะรู้จักตัวเองแล้วก็รับมือกับโลกภายนอกได้ เธอบอถ้าเธอไม่เป็นมะเร็งเนี่ยป่านนี้คงจะตายเพราะโรคซึมเศร้าและเพราะฆ่าตัวตายมาสามครั้งคนเป็นมะเร็งแต่เขาไม่กลัวเขาแถมเห็นว่ามันมีประโยชน์กับกับตัวเขาก็สามารถจะอยู่กับมันได้หมอจิตแพทย์นเนี่ยยังออกปากชมเลยว่าอคนไข้คนนี้นี่ทัศนคติเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มเป็นมะเร็งคือแต่ก่อนเนี่ยซึมเศร้าหดถูนะถึงกับฆ่าตัวตายมาสามครั้งแล้ว เธอเห็นประโยชน์ของมันเ็งกอเลยอยู่กับมันได้นะกลับขอบคุณมันได้ซ้ำจริงๆ ส, สิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยนะเวลามีอะไรมากระทบเราเนี่ยให้เราตระหนักว่าสิ่งที่เป็นปัญหามันไม่ใช่สิ่งนั้นแต่คือความไม่ชอบสิ่งนั้นเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบมันนะโอ้มันทำให้เราอาจจะงดหงิดหุนง่าเลยก็ได้ แต่พอเราเปลี่ยนความรู้สึกต่อสิ่งนั้นนะต่อเสียงนะมันกลายเป็นดีไปเมื่อสักหกสิบปีก่อนเนี่ยมันมีนักบินอวกาศคนหนึ่งชาวรัสเซียนะรัสเซียเป็นประเทศแรกที่ส่งยานอาวกาศไปโครจรรอบโลกสมัยนั้นเนี่ยนะเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ก้าวหน้ามากแต่ก็เป็นครั้งแรกที่คนเนี่ยได้มาเห็นโลกนะจากอาวกาศนะ นักบินอวกาศคนนั้นเนี่ยแกบอกว่าตอนที่ไปโครจรรอบโลกนี่มันเห็นโลกสวยงามมากเลยข้างบนนั้นก็สงบด้วยมันเป็นภาพที่วิเศษมากนะแต่จูจๆได้ได้ยินเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กคเสียงเหล็กกระทบกันเนี่ยเสียงเหล็กกระทบกันนะ oh. เขาก็พยายามหาว่าเสียงนั้นอยู่ไหนแล้วก็อยากจะให้เสียงนั้นมันเงียบหายไปเพราะมันไปรบกวนความสงบ แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเสียงก็ดังดังเป็นระยะระยะต่อเนื่องจากห้านาทีเป็นสิบนาทีแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกงุดหงิดละแล้วเขาคิดต่อไปเลยนะว่าเอ๊ะถ้าเสียงมันดังเป็นชั่วโมงแบบนี้นี่เขาคงทนไม่ไหวเพราะว่าที่ตรงนั้นมันก็แคบนะในห้องเคบินนะะมันแคบยิ่งกว่าห้องนักบินสมัยนี้สิรู้สึกอึดอัดนะ จะหนีก็หนีไม่พ้นจะปิดเสียงหยุดเสียงก็ไม่ได้เขาเริ่มพรุงพลาดแล้วถ้าเสียงมันดังแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นชั่วโมงใกูบ้าแน่แต่สักพักเขาก็ได้สติขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเราต้องอยู่กับเสียงนี้ไปเรื่อยๆทำไมเราไม่ลองรักเสียงนี้ดูนะเขาก็เริ่มนะจินตนาการหนะลับตาไปด้วยจินตนาการว่าไอ้เสียงนี้เป็นเสียงเพลง เขาก็นึกถึงเพลงที่เขาชอบขึ้นมาแล้วก็จินตนาการว่าไอเสียงติ๊กติ๊ก๊ก๊ที่มันําคาญหูเขาเนี่ยมันกลายเป็นเสียงเพลงพระกอบเ้าสงบเลยนะสงบเลยแม้ลืมตาขึ้นมาไอเสียงเพลงนั้นก็ยังอยู่ในหูเขาแต่ที่จริงมันไม่ใช่เสียงเพลงนะมันเป็นเสียงกิ๊กกิ๊ก๊เสียงเหล็กกระทบกันเนี่ยเสียงยังเป็นเสียงเหมือนเดิมแต่ว่าทําไมใจเขาสงบ เพราะความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปจากความรู้สึกไม่ชอบเป็นความรู้สึกลักมันชอบมันเสียงยังอยู่แต่ใจไม่ทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปความรู้สึกลบหายไปคนที่เกลียดมะเร็งกลัวมะเร็งนะหรือคนที่กลัวความเจ็บความปวดนะบางคนนี่เขาพอเขาเปลี่ยนความรู้สึกนะต่อมะเร็งนะแม้ยังปวดอยู่นะแต่ว่า กลายเป็นความปวดที่ทนได้ไม่ต้องกินยาก็ได้อยังมีคนนึงเนี่ยปวดเป็นมะเร็งนะแล้วก็ตอนมันมักจะเกิดอาการปวดมากเนี่ยตอนตอนกลางคืนแต่ก่อนที่เขาก็ทรมานมากเลยนะอาจจะบ่นกลดามะเร็งนะแต่ต่อหลังเขาเปลี่ยนนะเปลี่ย น, เ ป, ยนเปลี่ยนทัศนคติเขาเริ่มคุยกับมะเร็งแล้วก็บอกว่ามะเร็ง นะตอนนี้มันก็ค่าแล้วนะมันดึกแล้วนะได้เวลานอนแล้วนะเธอนอนนะฉันก็จะนอนด้วยนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันหมายแล้วกันว่าแล้วเธอก็ร้องเพลงกล่อมเด็กให้มะเรงฟังนะไอ้มะเรงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงหรือไปหรือไม่เนี่ยมันอันนี้ไม่สำคัญนะแต่ความสูงเธอเปลี่ยนไปจากความรู้สึกรบกับมะเรงกลายเป็นความเมตตามะเรงพอมมีความเมตตานะ ไอ้ความทุกข์ความทรมานก็ทุเลาลงแล้วเธอก็นอนหลับได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่มะเร็งสิ่งที่เปลี่ยนไปคือใจของเธอถ้ารู้สึกลบกับกับมันเมื่อไหร่นี้จะปวดมากทรมานมากแต่พอรู้สึกเป็นบวกกับมันนะก็อยู่กับมันได้ตมาจึงบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เรากลัวเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับสิ่งเท่ากับความกลัวสิ่งนั้นมะเร็งไม่น่ากลัวเท่าความกลัวมะเร็ง อันนี้หลดหึงความตายนะความตายก็ไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายเอากลับมาที่ความฟุ้งซ่านนะไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยก็ไม่ก็ไม่น่ากลัวหรือแย่เท่ากับความความกลัวฟุ้งซ่านหรือความไม่ชอบฟุ้งซ่านนักภาวนาต้องจับตรงนี้ให้ได้นะความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาคือความรู้สึกลบต่อความฟุ้งซ่านงั้นถ้าเปลี่ยนนะจากความรู้สึกลบเป็นความรู้สึกกลางกลางหรือความรู้สึกบวกก็ได้เออ ความฟุง้งซ่านมันมาเพื่อฝึกเรานะมันมาเพื่อฝึกเราให้มีสติมากขึ้นนะมันมาเพื่อทักทายเรานะแผ่เมตตาให้มันบ้างนะทำใจใเป็นบวกกับมันบ้างเราก็สงบได้นะเหมือนกับนัก บ, บินอ า, ากาศคนที่สามารถจะสงบได้แม้จะมีเสียงดังมากระทบหู้หักมีโอกาสคนนั้นนี่แกก็สงบจงกันทั้งสามารถจะกลับถึงพื้นโลกจนได้ปลอดภยัยแกก็ยังสงบ เสียงดังนะแต่ใจสงบได้เพราะรู้สึกบวกกับมันนะ่านจะบอกว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ใช่ปัญหาความฟุ้งซ่านไม่ได้ทำให้ใจเราไม่สงบนะแต่เป็นเพราะความรู้สึกลบกับมันนะปรับความรู้สึกลบใ ห, ให้เป็นความรู้สึกกลางๆซะนะวางใจเป็นกลางกับทุกอย่างที่มันปรากฏกับเราไม่ว่าอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในใจเรา อย่าว่าแต่ความฟุ้งซ่านเลยนะความหงุดหงิดนะบางทีเราก็เผลอหงุดหงิดบางทีเราก็เผลอโกรธอะไรบางอย่างเผลอเกียอะไรบางอย่างตั้งสติให้ดีแล้วก็ทําใจเป็นกลางกับมันนะอย่าไปกดข่มมันนะการเข้าไปกดข่มมันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเข้าทางมาร น, นะมารมันต้องการล่อให้เราเข้าไปเล่นงานไปต่อสู้ไปผักใสกับสิ่งที่เกิดขึ้น เหมือนกับพรานนะที่มันล่อให้สัตว์เจ้าถิ่นเนี่ยนะเข้าไปเล่นงานนกต่อไก่ต่อเสร็จแล้วไอ้เจ้าถิ่นนั่นแหละก็ถูกจับติดกับดักนะพรานเนี่ยต้องการล่อให้เจ้าถิ่นนี่ไปเล่นงานนะไปผักสไอ้นกต่อไก่ต่อเนี่ยไปผักสายเมื่อไหร่ก็เข้าทางพรานเมื่อ น, นั้นมารก็เหมือนกันนะถ้าเราไปผักสายอารมณ์ใดที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่ว่าจะไปรู้รสกินเสียงสัมผัสหรือธรรมารมไปผักสายมันเมื่อไหร่นะเราก็เข้าทางมาร น, นะก็ติด ก, กับดักของมารก็คือว่าหลงวนอยู่ในความหลงต่อไปยิ่งเราไปสู้รบตบมือความฟุ้งซ่านไปสู้รบตบมือความโกรธความหงุดหงิดที่มันเกิดขึ้นไปสู้รบตบมือกับเสียงที่ดังอากาศที่ร้อนเนี่ยเราก็จะยังหลงต่อไปไม่สามารถที่จะรู้สึกตัวหรือมีสติขึ้นมาได้ นะเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าทันนะเวลาโกรธมีความโกรธขึ้นเกิดขึ้นก็ดูมันไปอย่าไปผักสามันจะไปกดข่มมันยิ่งไปกดข่มมันเท่าไหร่ยิ่งไปผักสามันเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับมันมันก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นเหมือนไฟเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันมอดดับไป ถ, ถ้าเราปล่อยหรือวางหรือไฟถ้าเราปล่อยไว้เฉยเฉนี่มันก็ดับไปเองแต่เป็นเพราะเราไปเติมเชื้อเติมฟื้นให้มันมันก็เลยลุกอยู่เรื่อย ความโกรธที่เราไม่ทําอะไรกับมันมันก็ดับไปเองความฟุ้งซ่านถ้าเราไม่ทําอะไรกับมันมันก็ดับไปเองแต่เป็นเพราะเราไปผักสมันไปสู้รบตบมือกับมันจึงเท่ากับเป็นการให้อํานาจกับมันเป็นการต่ออายุให้กับมันมันก็เลยยังลุกโผลงหรือว่าก่อควากลัวเราไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็แค่วางใจเป็นกลางกับมันนะรู้ซื่อๆดูเฉยๆหรือว่าจะลองเปลี่ยนความสู้ให้ให้เป็นบวกก็ได้ เป็นความสึกเกลียดโกรธเกลียดให้เป็นความสึกชอบนะหรือว่าเห็นประโยชน์ของมันอันนี้นะมันเป็นมันเป็นวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยไม่พลัดตกอยู่ในอำนาจของมานนะหรือว่าไม่ไปติด ก, กับดักของพรานเนี่ยที่มันเจตนาร้ายกับเราชาตินี้เพื่อท่านี้นะครับพระ